เช้านี้จะขอพูดเรื่องนักโทษประหารชื่อเรื่องนักโทษปหารนี้มาจากหนังสือเล่มหนึ่งเขียนโดยศาสตราจารย์แสงจันงามเกียนไว้เมื่อ60ปีก่อนเป็นหนังสือปิศนาธรรมเนื้อหาสาระน่าอ่านมากอ่านแล้วก็สะเทือนใจทาให้เราได้คิดผู้พูดจึงนำมาเล่าให้ญาติโยมฟังเพื่อเกิดประโยชน์ก่อนที่จะเข้าเรื่องนักโทรประหารก็ขอใช้ตัวแทนของ คนสองคนที่เป็นตัวละครสําคัญของเรื่องนี้คือผู้เขียนอาจารย์แสงจันงามแล้วก็ผู้บรรชาการเรีอนจําซึ่งเรียกตามชื่อยาวๆไปอธิบายจะเรียกท่านผ อ, อเขาแล้วกันอาจารย์แสงจะเรียกเป็นอาจารย์แสงจะได้ง่ายในการสื่อสารพราะมีการถามตอบกันเยอะมากมีเรือนจําแห่งหนึ่งเรีอนจําแห่งนี้กว้างใหญ่ไพศาลจนมองไม่เห็นกาแพงที่ล้อมอยู่โดยรอบและจํานวนนักโทษ ขังอยู่ในเรือนจํานั้นก็มากมายประกอบด้วยคนทุกชั้นวรรณะและเจ้าหน้าที่เรือนจําและผู้คนก็จำนวนมากพอๆกับจำเำนวนโทษมันน่าจะเป็นมหาละครแห่งหนึ่งมากกว่าเรือนจําท่านผบอเป็นชายผิวค้้ำล่างใหญ่อายุประมาณ50ปีได้อธิบายให้จานแสงฟังว่านักโทษทุกคนในเรือนจํานี้ล้วนแต่ต้องคดีอุจจาระที่ต้องประหารชีวิตทั้งสิน้น การแสงสะดุ้งเมื่อได้ทราบข้อเท็จจริงพยายามล ง, งับใจให้เป็นปกติแล้วถามท่านผบอว่านักโทษเหล่านี้ส่วนมากทำความผิดอะไรครับถึงถูกส่งมาคุมขังที่นี่ท่านผบอตอบด้วยเสียงอันดุดันผมไม่ทราบและไม่สนใจว่าใครทำความผิดอะไรมาก่อนน้ำเสียงค่อนข้างจริงจังนั่นเป็นหน้าที่ของตำรวจและศาลเมื่อตำรวจจับผู้ต้องหามาส่ง ผมก็คุมขังไว้แล้วก็ประหารชีวิตตามชอบใจถ้าคุณอยากทราบว่าเขาทำผิดอะไรคุณลองไปถามนักโทษคนนั้นดูสิท่านผวาชี้มือไปที่นักโทษคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่บริเวณนั้นจานแสงเอ่ยปากถามนักโทษนี่คุณคุณทํำมาผิดอะไรอะ่ะจึงต้องมาถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําแห่งนี้นักโทษคนนั้นเงยหน้ามอง จานแสงด้วยสายตาที่ไม่พอใจดวงตาแสดงความขุนเคืองอย่างชัดเจนและตอบว่าคุณเป็นใครมาอย่างไหนผมไม่ได้ทําผิดอะไรผมไม่ใช่นักโทษและผมไม่ได้อยู่ในเรือนจำเขาตอบด้วยเสียงอันดังจานแสงยินงงตอ่อพฤติกรรมของนักโทษคนนั้นเมื่อไม่รู้จะได้คําตอบอย่างไรจึงหันไปมองหน้าท่านผบอโดยหวังว่าจะได้คาชี้แจงเพิ่มเติม แต่แล้วก็ต้องผิดหวังเพราะท่านผ อ, อกับเจ้าหน้าที่อีกสี่ห้าคนซึ่งยู่อยู่ใกล้ๆได้หัวเลาะเยาะขึ้นพร้อมกันและไม่ว่าอะไรจนอาจารย์แสงรู้สึกโกรธทั้งหงและประหลาดใจเอ๊ะนี่นักโทษคนนั้นบ้าหรือว่าท่านบ้าหรือว่าผมบ้ากันแน่ท่านผ อ, อตอบบ้าด้วยกันทั้งนั้นแต่ตอบแบบหน้าตาเฉย หลังจากเหตุการณ์ประหลาดนั้นแล้วท่านพอบบกพาอาจารย์แสงตะเวนชมเดินจาต่อไปและทางที่เดินผ่านเห็นนักโทษ ร, รวมกันทํางานอยู่เป็นกลุ่มๆกลุ่มละห้าคนบ้างหกคนบ้างก็ทางานกันอย่างจริงจังหน้าตาเหงื่อชุ่มไปหมดงานที่นักโทษทํามีทุกประเภทเช่นบางกลุ่มก็ปลูกผักบางพวกก็ไปช่างไม้ช่างเหล็กบางพวกก็เป็นช่างทอง ถ้าใครมีความรู้ก็ทํางานปเป็นเสมียนบ้างก็ค้าขายอยู่เรือนจําจันแสงเห็นนักโทษทํางานด้วยความขยันก็รู้สึกพอใจจึงถามท่านผอบอว่าผลประโยชน์ที่ได้จากการทํางานเหล่านี้ทางเรือนจําแบ่งให้นักโทษบ้างหรือไม่หรือเอาไว้เป็นของหลวงทั้งหมดท่านผบอตอบว่าผลประโยชน์ที่นักโทษทําได้ตกเป็นของนักโทษทั้งหมดทางเรือนจําไม่เกี่ยวข้องเลยแต่เมื่อนักโทษ ถูกประหารชีวิตตายไปแล้วสมบัติเขาทั้งหมดจะตกเป็นของเรือนจําแต่ขณะที่มีชีวิตอยู่เขาสามารถหาทรัพย์และใช้ทรัพย์ของเขาได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นนักโทษของเราทุกคนจึงตั้งหน้าตั้งตาทํางานโดยไม่ต้องบังคับบางคนทํางานทั้งกลางวันกลางคืนก็มีอาจาแสงถามขึ้นว่าที่เรือนจําหลายแห่งเขามีการให้อาหารตามเวลามีการให้เครื่องนุ่งห่มผมอยากทราบว่าที่เรือนจํานี้มีการให้อาหารเสื้อผ้าหรือไม่ ท่านผบอตอบไม่มีเราไม่ให้อาหารและเสื้อผ้าแก่นักโทษเพราะนักโทษแต่ละคนมีสินหาเองได้ทำงานได้ทางเดินจาเลยปล่อยให้ทุกคนช่วยตัวเองทุกคนก็พอมีอยู่พอกินแต่ก็มีบางรายเหมือนกันที่ขี้เกียจไรความสามารถไม่อยากทำงานไปเที่ยวขโมยหรือโกงเอาทรัพย์ของนักโทษคนอื่นมาเลี้ยงชีวิต อ้ามีการป้นกันในเรือนจํานี่ด้วยหรือครับมีมีการป้นกันทุกวันมีการทะเลาะวิวาทกันทุกวันมีการตีรันฟันแทงกันตายทุกวันจะแสงถามแล้วทางเรือนจําจัดการอย่างไรกับนักโทษที่ทําร้ายหรือฆ่าเพื่อนักโทษตายในเรือนจําท่านหวอตอบไม่ทําอะไรคำต่อของท่านคล้ายไม่เห็นการฆ่าอยู่ในสายตาถือเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นปล่อยให้เขาทําตามสบาย นนักโทษทุกคนในเรือนจำนี้มีโทษถึงตายทุกคนอยู่แล้วสักวันหนึ่งทุกคนจะต้องถูกประหารชีวิตฉะนั้นแม้จะมีความผิดในระหว่างหรือไม่ทำทุกคนก็ต้องถูกประหารชีวิตอยู่ดีดีซะอีกที่เขาจัดการประหารฆ่ากันเองเจ้าที่จะได้ไม่ต้องลาบากการแสงงกับคำพูดของท่านผบอและคิดในใจผู้เรือนจำที่ช่างโหดร้ายทารุณปาเถื่อนเหลือเกินท่านผบอ เดินตามก็ช่างใจดำไม่เห็นชีวิตคนอยู่ในสายตาเห็นคนเป็นมดเป็นปวกไปได้แต่ก็ไม่กล้าพูดได้แต่เดินตามแผงห่างเดินตามไปอย่างเงียบๆท่านพอบบเอ่ยถามว่าคุณอยากดูการประหารชีวิตนักโทษไหมจแสงรู้สึ ก, กอักกระอ่วนขึ้นมาทันทีเพราะใจหนึ่งเกิดความอยากรู้แต่ใจหนึ่งก็เกิดความกลัวไม่อยากเห็นคนถูกฆ่าต่อหน้าต่อตา กลัวจะเกิดเป็นลมและกลัวความโหดร้ า, ายทารุณของการฆ่ามนุษย์จึงถามทางเรือนจำประหารโทษโดยวิธีไหนครับท่านพบว่าตอบทุกชนิดใช้ปืนยิงบ้างใช้มีดแทงให้ตายใช้ก้อนทุบกระโหลกศรีรษะแขวนคอบังคับให้ดื่มยาหรือปล่อยสัตว์และให้กัดให้ตายหรือก็กดให้จมน้าตายให้ล้อเหล็ก ขนาดใหญ่บทตัดคอให้ตายบ้างบางทีก็ให้เจ้าหน้าที่ทรมานโดยตัดแข้งขาตีนมือหนังออกเทียน้อยเทียน้อ ย, นอยจนตายไปเองโูนจันแสงถึงก็เกือบตกพลักด้วยความสะดุ้งตกใจและกลัวต่อพิธีการประหารชีวิตอันชารุณหดร้ายที่ท่านผอรบรรยายให้ฟังผมไม่ดูแลครับถ้าเห็นผมเปลมแน่แท่านผอเอ่ยรู้สึกคุณหวั่นอ่อนมากถ้าคุณกลายเป็นนักโทษ และถูกประหารชีว์แบบนั้นคุณจะรู้สึกอย่างไรบ้างผมคงช็อกตายก่อนประหารจริงๆท่านผ อ, อก็นำจันทร์แสงเดินชมไปเรื่อยๆและได้เห็นกลุ่มนักโทษกลุ่มหนึง่งกำลังนั่งล้อมวงเสษทุราล้องเพลงกันอย่างสนุกสนานเขาทำอะไรกันครับอ๋อกำลังฉลองสมาชิกใหม่วันนี้ตำรวจนำนักโทษใหม่มาส่งเรือนจาหลายคนพวกนี้เขาอยากได้สมาชิกใหม่ จะได้เอาไว้ช่วยเหลือครอบครัวเดินไปอีกไม่นานจาแสงได้พบภาพตรงคุณภากลบบที่เพิ่งเห็นมาเห็นกลุ่มนักโทษอ่ะกำลังร้องไห้เสียอกเสียใจจึงไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นนักโทษคนหนึ่งตอบทั้งน้ำตานองหน้าอูกเขาเป็นคนดีขยันข็นแข็งไม่น่าต้องมาถูกประหารชีวิตเราได้สูญเสียครอบครัวไปแล้วว่าแล้วก็ร้องไห้ต่อไป เขาถูกประหารโดยวิธีใดถูกเปนเาค่าตัดคอขณะที่เขาก็เรานั่งคุยกับเราอย่างสนานนี้เองเป็นเาค่ า, านึ่งถือดาบแล้วฟันที่คอเขาสุดแรงทำให้ศีรษะเขาขาดกระเด็นตกไปต้องเก็บเอาศาีรษะเขามาวางไว้ที่เดิมอย่างที่เห็นนี่แหละจะงแสงหันมาทางท่านผ อ, อด้วยความตั้งใจจะต่อว่าในความโหดร้ายปาดเถือนของเพจาตแต่ก็พูดไม่ออกเพราะสืบมีอะไรประจุที่คอหอย ถึงถามท่านพอบบว่าทําไมท่านปล่อยให้คนหลวงท่านทับบาดเฉือนอย่างนี้ท่านไม่ได้แจ้งนักโทษทราบล่วงหน้าดอกหรือว่าจะประหารโดยวิธีใดที่ไหนเมื่อไหร่นักโทษไม่มีโอกาสรู้ล่วงหน้าหรือเตรียมตัวบ้างเลยท่านพอบบตอบการประหารชีวิตนักโทษนั้นเรายกให้ไปด้านที่ของพยกค้าโดยตรงจะข้ามบี่ยงอำนาจในการประหานชีวิตใครที่ไหนเมื่อใดก็ได้ตามใจชอบไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บางทีนักโทษกําลังนอนหลับอยู่ดีพิจาราอาจจะเอาดาบไปฟันคอให้ตายโดยเป็นทุกตัวก็ได้บางคนกําลังเล่นอยู่อย่างสนุกสนานพยจารณาเอาคอไปทุบตายก็ได้อา้าวถ้าอย่างนั้นนักโทษทุกคนก็นอนตาไม่หลับสิครับอาจารย์แสงถามโค ว, วาดภาวอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่รู้เมื่อไรพยจารณาจะมาฆ่าจะมาประหารท่านผบอตอบตกเป็นข้าม ไม่มีจักโทษคนใดประวันพันพึงต่อการประหารชีวิตเลยนักโทษส่วนมากลืมสนิทว่าตนเองเป็นนักโทษประหารต่อเมื่อเห็นเพื่อนถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาแั้วแหละจึงคิดคิดว่าได้ว่าเอาเราเป็นนักโทษประหารแต่สักพักก็จะลืมแล้วก็สนกสนานเพลิดเพลินต่อไปเหมือนเดิมท่านผ อ, อพาจาย์แสงชมเรือนจําต่อไปอีกเขาได้ผ่านกลุ่มนักโทษ หลายกลุ่มสังเกตดูนักโทษทุกๆกลุ่มต่างทำงานและเล่นกันอย่างสนุกสนานแทบทุกคนมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอย่างดีทำให้เห็นด้วยกันกันกบท่านผอบอที่ว่านักโทษส่วนมากลืมสน็จว่าตนเองเป็นนักโทษะหารอาจารย์แสงถามทางดินจำมีระเบียบควบคุมนักโทษอย่างไรบ้างครับท่านผบอหัวเราะแลวตอบว่า ไม่มีเลยนักโทษจะเล่นจะทํางานจะกินจะนอนจะเที่ยวที่ไหนก็ได้ในเรือนจํานี้ไม่มีการควบคุมแต่เด้งสิน้นอา้าวการปล่อยปาะแล้เลยเช่นนี้ท่านไม่กลัวนักโทษแหกคุกหรือครับท่านผบบหัวเราะดังยิ่งขึ้นแล้วตอบว่าไม่กลัวผมจะบอกเหตุผลว่าทําไมไม่กลัวการแรกก็เพราะว่าไม่มีใครอยากจะออกไปจากเรือนจนํานี้แทบทุกคนพอตกเข้ามาอยู่ในเรือนจํานี้ก็จะสนุกสนานเพลิดเพลินจนไม่อยากจากไปทุกคนอยากอยู่ที่นี่ อยากถูกประหารชีวิตและตายที่นี่นั่นเป็นเหตุผลสําคัญที่สุดเหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมไม่กลัวนักโทษจะหนีผมจะพาคุณไปดูเดี๋ยวนี้ท่านผบอได้จูงแขนจันแสงและพาไปยังหอคอยสูงแห่งหนึง่งแลังจากขึ้นไปบนหอคอยแล้วท่านผบอก็ชี้มือให้จันแสงดูสิ่งหนึ่งพอเห็นสิ่งนั้นจันแสงก็เห็นด้วยกับท่านผบอสันทีว่า ทำไมท่านจึงไม่กลัวนักโทษจะแหกคุกสิ่งที่เห็นก็คือกระแพงสูงใหญ่ที่ลอ้อมรอบเรือนจาอยู่ถึงสามชั้นมีกําแพงอิฐกําแพงหินแลกะกําแพงเหล็กมิน่าเราถึงไม่มีใครคิดจะหลบหนีแะแสพู่ขึ้นมาอย่างลอยๆทนายนั้นก็เหลือบเห็นนักโทษหลายต่หลายคนกำลังใช้กขวานใช้ไม้ กระแพงอิดอย่างขามาคเขาเมน่นเอ๊ะนั่นเ็าทำอะไรกันอาจาแย์ถามด้วยความประหลาดใจอ๋อเขากำลังจะเจาะกระแพงหลบหนีท่านผบอตอบด้วยนักเสียงปกติคล้ายเขาเห็นว่าการแหกคุกเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเอ้าแล้วทำไมท่านจิงปล่อยให้เขาทำทำไมท่านไม่จับกลุ่มหรือห้ามปาลท่านผบอตอบไม่นักโทษทุกคนมีสิทธิ์ ที่แหกคุ้งได้เราไม่ห้ามปาล์แต่อย่างใดเพราะมีน้อยเหลือเกินที่คิดจะแหกคุกคุณดูในเรือนจำมีนักโทษจักเท่าไหร่แต่คุณก็เห็นแล้วมีนักโทษไม่กี่คนที่กําลังเจาะ ก, กําแพงอีกอย่างหนึ่งกําแพงของเราแข็งแรงมากยากที่จะเจาะทะลุได้นักโทษส่วนใหญ่มักจะล้มเลิกความพยายามเสียในระหว่างถึงจะพ้นกระแพงอิฐไปได้ก็ไปติดกระแพงหินคุณดูที่กําแพงหินนั่นสิจะ แ, แสงมอง ตามมือของท่านผบไปยังถ่านกระแพงหินและได้เห็นนักโทษอยู่เพียงสองสามคนที่หลุดพ้นจากกระแพงอินมาได้กําลังเอาขวานเจาะกระแผงหินอย่างขามากขะเม่นแล้วนักโทษอื่นๆทำไมไม่ออกตามช่องที่เขาเจาะไว้เล่าจะได้ช่วยกันเจาะกระแผงหินต่อไปจะแสงถามท่านผบอตอบผมบอกคุณแล้วไม่มีใครคิดอยากจะออกไปอย่างเดียนจํา แลยิ่งกว่านั้นช่องแต่ละช่องที่นักโทษเจาะสําเร็จเราจะปิดทันทีเหมือนเดิมขณะที่นักโทษนั้นลอดออกมาพ้นฉะนั้นถ้าใครจะออกก็ต้องเจาะช่องใหม่สําหรับตนเองเจาะให้กันไม่ได้ฉะนั้นนักโทษคนหนึ่งจึงเจาะได้สําหรับคนกนเดียวเท่านั้นจะแ ถ, ถามมีนักโทษคนใดสามารถเจาะทะลุกระแผงหินบ้างไหมครับอ๋อมีเหมือนกันแต่ก็น้อยเต็มทีถ้าคุณมองดูที่ฐานกระแพงเหล็กคุณจะเห็นนักโทษ เพียงคนสองคนเท่านั้นนุชไงละ่ะคนทีหลุดออกไปได้จากกระแผงหินท่ะแหงมองตามที่มือของท่านผบชี้ไปที่ฐานกระแพงเหล็กเห็นนักโทษล่างบืงบ้งกำลังใช้กวาดฟันกระแพงเหล็กอย่างเหนื่อยอ่อนกวาหลังเขารู้สึกเต็มไปด้วยประกายแวววับครั้งที่เขายกขึ้นฟันมันจะท้อนแสงแวววับเข้าในตาของเราจนต้องหลับตาจะแสงชมในความอุตสาหะและความพยายามของนักโทษคนนั้น แต่พอนาให้เขาออกไปให้ได้เคยมีคนเจาะกระแพงเหล็กออกไปได้หไหมครับท่านท่านพบอตอบมีเหมือนกันแต่น้อยเจ็มทีในหมื่นหรือแสนคนอาจจะมีสักคนหนึ่งเท่าที่ผมอ่านดูในประวัติศาสตร์ของเร่นจำนั้นเมื่อประมาณ 2,600 ปีก่อนมีนักโทษสัมพันธคนหนึ่งแหกคุกออกไปได้สำเร็จและพาเอานักโทษอื่นๆออกไปด้วยเป็นจานวนมากแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีการแหกคุกเป็นการใหญ่ เช่นนั้นอีกเลยจะแสงฐามถ้าสมมติมีนักโทษแหกคุกออกไปได้สําเร็จทางการเรือนจําจะจับเขาบังขังเหมือนเดิมหรือไม่ครับออ๋อไม่ท่านผบตอบเราปล่อยให้เขาไปเลยหรือว่าเขามีความสามารถเป็นวีรบุรุษสมควรได้รับอิสร ภ, ภาพและยิ่งกว่านั้นเรายังให้สิทธิพิเศษแก่เขาอด้วยสิทธิ์อะไรครับจะแสงฐานด้วยความสงสัยสิทธิ์ที่เขาจะเข้าออเรือนจําได้ตามใจชอบทุกเวลาถ้าเขาอยากจะกลับมาในเรือนจํา เือชักชวนเพื่อนักโทษได้แหกคุกหรือเนี่ยวิธีเจาะแพงที่ได้ปลดให้แก่นักโทษอื่นๆก็อาจทาได้ตามใจชอบคุณเดินตามผมไปทางนี้จะแถนเดินตามพบบอไปอย่างว่าง่ายและได้เห็นนักโทษกลุ่มใหญ่กับกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งรอวงฝักงชายคนหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้ชายคนนี้ยืนอยู่กลางวงและพูดด้วยเสียงอันดังว่าตื่นเถิดพี่น้องหลายอย่ามัวหลับไหลยอยู่เลย อย่าลืมว่าถ้าเป็นนักโทษประหารถูกขังอยู่ในกักแพงถึงสามชั้นวันหนึ่งพิจาตจะลากขอทัานไปประหารชีวิตลุกขึ้นแล้วรีบแหกคุกหนีไปเสียก่อนที่จะถึงเวลานั้นใช้รัะพันานาโทษของเรือนจำอีกมากมายซึ่งล้วนเป็นความจริงแต่มีนักโทษน้อยคนที่ตั้งใจฟังคำพูของเขา ส่วนมากหันไปคุยกันเสียบ้างหลับเสียบ้างบางคนกับหัวแล้วย่อเขาหรือตะโกนคัดค้านเขาเป็นขังขาวแต่ชายคนนั้นก็ใจดีและใจเย็นไม่ได้แสดงาาการโกรธเคืองหรือผู้จะตอบโต้ผู้ก่อกวนเหล่านั้นแต่อย่างใดเขามืบกวาลงไปในถุงซึ่วางอยู่ข้างๆและจิบเอาขวาน เ, เล่มหนึ่งขึ้นมาและชูขวานไปรอบๆแล้วพูดขึ้นว่า พี่น้องทั้งหลายนี่คือขวานสาหรับเจาะกระแพงอิฐ ท, ท่านผู้ใดอยากได้รับอิสรภาพโปรดเอาขวานที่ไปเจาะกระแพงอิฐข้าพเจ้ายินดีมอบขวานนี้ให้แก่ท่านฟิฟีๆู้แล้วชูขวานขึ้นไป ร, บรอบๆปรากฏไม่มีนักโทษคนใดแสงความสนใจในกว่านของเขาเลยนักโทษคนหนึ่งกลับตะโกนต่อว่าเขาอีกโดยไม่คำนึถึงคํำย่อเย้ของนักโทษคนนั้นชายคนนี้ใจเย็นและชูขวานต่อไป จนกระทั่งนักท่องเที่ยวอื่นยืนไปรับขวานจากเขานักเข้าเทีหยิบขวานมารูปความพิจารณาดูหน่อยก็คือเจ้าของเขาบอกว่าหนักเกินใบแบกไม่ไหวใช้ผู้หว่างดีหยิบวานหินเล่มนั้นเก็บแล้วล้วงเอาวานอีกเล่มหนึ่งออกจากถุงยกชูไปแล้วรอบแล้วพูดว่าพี่น้องทั้งหลายนี่คือขวานเหล็กใช้สําหรับเจาะกํากแพงชั้นกลางคือกําแพงหินผูดด้ใดต้องการ ข้าพเจ้าจะให้โดยไม่คิดบุญค่าแต่อย่างใดเชิญรับไปได้เลยแจกฟรีขอส่งขวาไปรอบๆด้วยสายตาแสงขวานวิงวอนแต่ปรากฏไม่มีใครรับเขาวางขวาเหล็กลงไว้แล้วแล้วรัวเอาขวานเล่มใหม่ขึ้นมาแล้วชู่ไปรอบๆตามเคยเพราะพังกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายกระแผงเหล็กชั้นนอกอาจจะหนาและสูง แต่ท่านไม่ต้องท้อใจนี่ือขวานพิเศษสำหรับเจาะกระแพงเหล็กถ้าท่านดูให้ดีท่านจะเห็นว่าคมฝานนี้ทําด้วยเพชรแล้วเขาได้หยิบเหล็กมาท่อนหนึ่งเอาใช้ขวานดันฟันให้ดูเป็นตัวอย่างปรากฏว่าฟันทีเดียวเหล็กท่อนนั้นก็ขาดกระเด็นแต่ก็ไม่มีใครสนใจจะรับเอาขวานนั้นชายผู้ใจเย็นจึงรวบรวมขวานทั้งสามอันใส่ถุงแลแ้วแบก ใส่บาแล้วเดินออกไปมุ่งไปหานักโทษกลุ่มอื่นต่อไปถ้าเราเสียหัวลราะของนักพทษกลุ่มนั้นจันแสงเห็นว่าคุยกับผอบอรเรือนจำนานผบรุกร้แล้วจึงขอลา ก, กลับแต่ผอบอรเรือนจำไม่ยอมให้กลับทําไมล่ะครับผมไปกลับไม่ได้ผบอตอบว่ากฎของเรือนจำมีอยู่ว่าทุกคนที่เข้ามาในเรือนจําของเรา ต้องกลายเป็นนักโทษประหารของเราด้วยเพราะฉะนั้นเวลานี้คุณได้กลายเป็นนักโทษของเราเสียแล้วทันแสงรู้สึกงงและคิดว่าท่านผอบอคงล้อเล่นแต่ผมต้องรีบไปตามนัดนะครับเพราะผมนัดเพื่อนเราไว้ผอบอตอบคุณไม่มหวังจะได้พบเพื่อนตามนัดได้เด่ดขาดผอบอพูดพาหัวเราะอย่างมีชัยท่านได้ ห, หันไปมองดูเจ้าหน้าที่เรือนจำทันใดนั้นเจ้าที่ผู้มีร่างกายกัำยำสองคนก็ตรงเข้ามาขนาบข้างซ้ายขวา ขอจานแสงและยึดแขนไว้อย่างมั่นคงผอบอเอ่ยขึ้นว่าคุณไม่เชื่อหรือว่าผมพูดจริงถ้าไม่เชื่อผมจะพาไปดูอะไรบางอย่างว่าแล้วก็ออกเดือทันทีจานแสงถูกเจ้าที่ฉุดให้เดินตามไปด้วยและได้ไปถึงตึกหลังใหญ่หลังหนึ่งท่านผบอสั่งให้หยุดอยู่ที่ประตูเมื่อประตูถูกเปิดออกข้างในก็ได้พบภาพที่ไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยว่าจะได้พบในเรือนจําภายในตึกนั้น เต็มไปด้วยพระพิสุสา ม, มนเณรแม่ชีพระราชาประาธานิี่บดีนายกนายพลมหมาเศรษฐีและบุคคลชั้นสูงอีกมากมายท่านผ อ, อเอ่ยขึ้นว่าทั้งหมดนี้คือดักโทษประหารของผมทั้งสิน้นคนใหญ่คนโตขนาดนี้ยังตกไปนดักโทษของผมนับภาษาอะไรกับคุณซึ่งเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งตอนนี้จย์แสงหน้ามืดศีรษะบุญตี้วขาจะเป็นลมรับไปได้กับที่ตัวเองจะเป็นดักโทษประหาร ขณะนั้นภาพพุทธสถานก็ปรากฏขึ้นมาในหัวจำได้ว่าจะต้องไปประกถาเรื่องตื่นเถิดชาวพุทธและประชาชนจำนวนมากก็อยากฟังประกถาจะรู้สึกผิดหวังเพียงใดถ้าถึงเวลาแล้วจัดแสงไม่ได้ไปแสดงประกถาพร้อมๆกันนั้นก็เกิดตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวขึ้นมาทันทีว่าจะต้องไปแสดงประกถาให้ได้ท่านผู้บัญชาการครับท่านจะเอา ใั ง, งกับผมก็ได้ผมยอมทั้งนั้นแต่ผมใค่ขอความรุณาจากท่านเป็นครั้งแรกและอครั้งสุดท้ายคือขออนุญาตให้ผมไปแสดงปากถาที่พุทธสถานท่านจะอนุญาตหรือไม่ท่านผอบอ น, นั่งคิดอยู่ลกคู่เราพูดขึ้นว่าตกลงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่ผมจะให้เจ้าที่เรือนจำสามคนไปคอยควบคุมคุณทุกฝีก้าวที่พุทธสถาน ทแสงกําลังกระถารมพระคุณเจ้าและท่านสาธุชนที่เคารพขาดที่ข้าพเจ้ากําลังพูดอยู่นี้เจ้าหน้าที่ทั้งสามจากเรือนจํากําลังยืนคุมข้าพเจ้าอยู่คนที่ยืนทางขวามือของข้าพเจ้าคือเจ้าหน้าที่สารมานักโทษให้ตายตามวิธีตัดแข้งตัดขาคนที่ยืนทางซ้ายมือนี้คือพนักงานปล่อยสัตทไลยให้การ น, นักโทษตายส่วนอีกคนหนึ่งที่ยืนถือขวานอยู่ข้างหลังข้าพเจ้านั้นคือเพจฌคาตผู้ประหารชีวิตนักโทษโดยตรง หลังจากแสดงปกถาที่นี่เสร็จแล้วข้าพเจ้าจะถูกนำตัวคืนสู่เรือนจำและจะถูกประหารชีวิตณวันใดวันหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเองไม่มีทางรู้ข้าพเจ้าขอเวลาท่านทั้งหลายไปก่อนเรื่องนักโทประหารก็จบลงเนื่องจากเป็นศาสนาธรรมตอนจบก็ต้องมาเฉลยสิ่งต่างๆที่กล่าวไว้ในเรื่องนี้ด้วยอย่างเรือนจำใหญ่ได้แก่อะไรทํามจึงเรียกว่าเรือนจา เรือนจใหญ่ได้แก่โลกโลกนี้ทั้งโลกถ้าจะพูดอย่างกว้างขวางก็คือพบทั้งสาการมาพบลูปมาพบอุลุภภพบซึ่งเป็นแดนเกิดแดนตายของสัตว์และเป็นที่กักขังสัตว์ไว้มีห้บรรลุมะผลที่ผ่านนักโทษอาหารคือใครทำามถึงเรียกว่านักโทรอาหารนักโทษอาหารหมายถึงสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในพบทั้งสเหตุที่เรียกว่านักโทษอาหารก็เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายในสามพบ ไม่จะเกิดได้กําเนิดสูงหรือต่ําจะต้องตายทั้งสิ้นนักโทษที่ไม่รู้ตัวเป็นนักโทษถูกขังในเรือนจํานั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสัตว์ที่เกิดใน3าพจะหารู้สึกตัวไม่ว่าตนติดอยู่ในห่วงทุกข์และต้องตายแต่มัวสนุกสนาน เ, เพลิดเพลินอยู่ในพบนั้นๆจนลืมตัวตำรวจที่นานักโทษมาส่งในเรือนจําหมายถึงอะไรหมายถึงชาติหรือความเกิดซึ่งส่งสัตว์มาเกิดในพบทั้งสามกระแพงะสามชั้นที่ล้อมเรือนจํำนั้นหมายถึงอะไร กระแพงอิฐชั้นในหมายถึงกรรมดีและกรำชั่วที่เป็นเหตุให้สัตว์เกิดในสามภพกระแพงหินชั้นกลางหมาถึงกิเลสยาเช่นโรคกรดหลงเป็นเหตุให้สัตว์ทํากรรมกระแพงเหล็กชั้นนอกมายถึงอวิชาซึ่งเป็นกิเลสละเอียดทําลายได้ยากแม้เกิดในภพมนุษย์ก็ยังมีอวิชากวานหินขวานเหล็กและขวานเพชรสําหรับทําลายกระแพงอิกระแพงหินและกระแพงเหล็กหมาถึงอะไรขวานหินหมายถึงศีลสําหรับ ควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยขวานเหล็กหมายถึงสมาธิสำหรับปำายกิเลสหยาบขวานเพชรหมายถึงปัญญาซึ่งใช้สำหรับทำลายกิเลสละเอียดคือ่วิชนานักโทษที่กับละแหกคุกโดยใช้ขวานทำลายกระแพงอิฐกรแพงหินกระแพงเหล็กหมายถึงใครหมายถึงพุทธบริษัททั้ง4ผู้เห็นภายในวัจจสงสารปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาเพื่อทำลายการมกาุกิเลสหยาบกิเลสละเอียดและเพื่อความเป็นอิสระจากวัตจะ เจ้าหี่ย่าามของเรือนจาำที่คอยควบคุมอยู่ทุกฝีก้าวนั้นหมายถึงอะไรเจ้าที่ทรมานสัตว์โดยเขาคอยตัดอยัยวะต่างๆออกเทียรน้อยหมายถึงชะลาความแก่เจ้าหน้าที่ที่ปล่อยสัตว์หลายกัดนักโทษให้ตายหมาถึงพยาธิควาเจ็บป่วยพิจารณาผู้ประหารชีวิตนักโทษในตรงหมายถึงวารณะคือความตายครั้งหนึ่งผู้พูดเคยไปชิพูเก็ตกับพผาจับไปศาลครั้งนั้นพผาจับไปศาลถูกนิบว์ ให้เป็นแสงทำให้นักโทษที่กำลังจะปล่อยตัวนักโทษที่กำลังจะได้รับอิสรภาพในเรือนจำภูเก็ตมีพื้นที่ประมาณ1 0 8ไร่แต่มีนักโทษทั้งผู้หญิงผู้ชายต่างชาติรวมกันประมาณเกือบ3า0พันคนถือว่าเป็นชุมชนแออัดการเข้าไปแสงทำในนั้นก็ยากตัวหรือพ่อไปศาลก็ต้องถูกยึดมือถือด้วยผู้พูดกระโดดยึดทาตามระเบียบของเรือนจา ที่เรือนจําเนี่ยจะเห็นนักโทษมาฟังธรรมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนักโทษที่กําลังจะได้รับการปล่อยตัวส่วนนักโทษที่ปกติก็อาบน้ํากันหรือทำอะไรกันตามเวลาของทางเรือนจําทุกชีวิตมันไม่ได้รับอิสระต้องทตามกฎผ้าจะเป็นสารก็พยายามเรื่องเกี่ยวกับการจะใช้ชีวิตข้างนอกคุกอย่างไรและให้นักโทษยอมรับความจริง คือออกไปอาจจะถูกสังคมรังเกียจก็ได้เพราะเคยติดคุก ม, มาก่อนอาจจะเป็นการที่สังคมไม่เขา ย, ยอมรับก็ให้ทําใจให้สู้ๆต่อไปคือให้กําลังใจนั่นแหละสังเกตดูนะสีหน้าโทษอ่ะจะเศร้าหมองใบหน้าเนี่ยไร้ไหลาสีคือเขาคงทุกข์ใจมากอะ่ะฝากทุกคนเขาเลยออกทางสีหน้าการติดคุกก็เหมือนอยู่เหมือนกับนรกคนเป็นข่ายสารภาพคือติดคุกทั้งกายทั้งใจ แต่ถ้านักโทษเขาใจธรรมะนะก็จะทุกแค่กายอย่างเดียวใจอาจจะไม่ทุกข์ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นคนที่ติดคุกเนี่ยจะไม่มีสติจะใช้อารมณ์นำหน้าเหตุผลตามหลังมักจะทำสิ่งที่ผิดพลาดพอทำไปแล้วจึงเกิดกวาเสียใจภายหลังบ้างก็เป็นพวกแบบมีปัญหาทางจิตบโพล่าหรือโรคซึมเศร้าโรคต่างๆอีกมากมายโรคประสาทระจมอยู่ในโลกของความคิด ออกจากการคิดไม่ได้คือติดอารมณ์แต่ถ้านักโทษรู้จักการจิตสติสร้างสร้างความรู้ตัวเนี่ยออกจากโลกของการติดอารมณ์ได้เนี่ยความทุกข์ก็จะร้อยลงคือติดคุกแค่กายใจไม่ติดคุกฉะนั้นเราก็ขอติดคุกแค่กายก็พออย่าติดคุกทั้งใจเลย่ทุกคนเกิดมาก็เป็นนักโทษประหารไม่ว่าจะเป็นคนมีอำนาจยากดีมีโจรยังไงก็ไม่พ้น การเป็นนโทษประหารสี่ที่ทำได้ก็คือหาทางจุดมุ่งหมายชาวพุกก็คือมุ่งไปมรรคผลที่ผ่านนั่นแหละแล้วก็มีสติความรู้สึกตัวใช่แหละเป็นฝานเพื่อเจาะกระแพงสามชั้นถ้าเราไม่รู้สึกตัวเราก็ตกเป็นธาตุของความคิดเป็นธาตของอารมณ์แล้วจมอยู่ในความทุกข์ก็ต้องติดคุกไปเรื่อยๆติดคุกขาดสรภาพความคิด สั่งให้ทำอะไรแล้วก็ทำตามมันจิตใจก็ไม่อิสระฉะนั้นเราต้องฝึกไว้ฝึกการเจรติสร้างควาถกตัวเพื่อเป็นอาวุธในการแหกคุกอันมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกัเวลาก็ขอจบลงแค่นี้เอวัง